Na'mu tatsa Oto ato arahatu Sama sambut tatsa Na'mu tatsa Oto ato arahatu Sama sambut tatsa Na'mu tatsa Oto ato arahatu Sama ธรรมปริยายัสสะเขาโอกาสสาทายัสสะมันเตหิสกัจจังธมูสุทธปูติก็โอกาสท่าน พลีผู้ละสังขารไปแล้วเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรแต่ความดีงามของท่านก็ยังปรากฏ เป็นสิ่งที่เราจะต้องใคร่ครวญกัน เพื่อนำเอาความดีงามพุทธเจ้าองค์มติแผ่ให้โลก 2 ทางนี้พุทธเจ้าท่านได้ได้ตรัสเอาไว้แต่บัดนี้พุทธภาติที่ได้ยกขึ้นเป็นเบื้องต้นนั้นว่าศีลภา 2 ปัญญาเป็นขั้นที่ 3 เป็นพื้นฐานอุปมาก็เหมือนมหาปฐพีเอ่อเป็นที่ตั้งแห่ง สมาธิที่เราจะฝึกหัดปฏิบัติเพื่อสว่างสวยเพื่อดับ ผลต่างๆที่เราได้ทนทุกข์กันอยู่ขณะนี้งั้นพวกเราทั้งหลายก็ได้มาสู่ว่าทุก ถ้าเราไม่มีกรรมแล้วเราก็จะไม่กลางและขั้น 5 นั่นเป็นพื้นฐานที่ เอ่อเพื่อจะให้เอ่อชีวิตมนุษย์เรานั้นอยู่ร่วมกันๆคอกเพราะว่าหญ้าป่าคอกนี่มันจะมีปุ๋ยเยอะออกยากเอ่อมูลของเจ้าของเองเนี่ย เมื่อออกจากคอกไปแล้วต่างคนก็ได้ถ้า ตั้งแต่ศีล 5 ตั้งแต่ทิ้งปาราฏิบัติถึงสุราเมไรแล้วได้เห็นได้ว่าศีลอันนี้นอก เราจะเห็นว่าเพียงแค่ศีล 5 อย่างเดียวถ้า เอออีกขณะที่เราเกิดมานี้เราใช้ๆคนเอ่อแม้เราจะมีกรรมอยู่เบื้องหลังแต่เหตุไฉนเขาแต่ถ้าเรื่อยๆไปบุญ ก็ไม่สามารถที่จะให้บารมีนี้ยั่งยาวยืนนานไปได้มีบารมีมีเงินมีอํานาจก็ไม่หมดแต่เมื่อเราใช้ สิ่งที่เราหาในทางพุทธฤทธิ์ศีลธรรมเหล่านั้นจากกายวาจาใจของเราเอ่อถึงแม้จะได้มากรรมกรรม ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดศาสนาใดที่เกิดขึ้นมาแล้วในโลกมนุษย์นี้ เอ่อทานบารมีของเราเอ่อให้มันสมบูรณ์ขึ้นยิ่งยากจนเข็นใจ และทานที่เราทําวันนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้แม้แต่การฟังเทศน์ฟัง ธาตุนี้จะอยู่ในจิตในใจเราเสมอไม่ว่าทําเล็กทําน้อยทําบ่อย เอ่อวาจาของเรายังมีความบกพ่องอย่างไรใจเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้โชค มามามาจนถึงวันนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มองให้มันเห็น มา, โอเคได้เฉพาะระบบประสาทในร่างกายและความเป็นไปในๆก็ๆก็มีความสะดวกจริงๆแล้ว จึงมีความละเอียดอ่อนฝ่านั้นเพราะสรรพ ถ้าเราๆ